ได้ฟังเอาไว้ไม่ใช่บาปแบกห้มเคยได้ยินหลวงพ่อเทียนสอนสี 40, ่สิบห้าสิบปีมันยังมีอยู่เวลาใดที่เราบกุ่นคุณคิดเข้าไปอยู่ในความคิดหลวงพ่อเทียนบอกว่าอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดให้เห็นมันคิดเราก็มาทำได้ หลองพ่อเทียนไม่มีเป็นรูปเป็นนามแล้วแต่ยังมีจริงท่านบอกท่านสอนเวลาใดมันหลงให้เห็นมันหลงอย่าเป็นผู้หลงได้หลักนั้นกับอยู่ในกามือของเราทั้งหมดชีวิตนี้อดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีมีจฉพะปัจจุ บ, บัน ปัจบันทำไมเป็นปัจจดตังรู้เดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ทำได้เดี๋ยวนี้อะไรที่มันเกิดกับกายกับใจทำได้เดี๋ยวนี้สำเร็จเดี๋ยวนี้จึงเรียกว่ามั่นใจพระพุทธองสร้ังขจามิข้าพเจ้า ถืออาพุทธเจ้าเป็นจรณะคือตัวลูกตัวตื่นตัวเบิกบานข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกท้องปวงได้ทั้งปวงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้ใจก่อนแล้วโอาเรื่องที่เกิดขึ้ น, นกับกายกับใจนี้มาเป็นเหตุเป็นปจัจจัยหรอ่อ้ ความรักความชังความพอใจความไม่พอใจความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงบทนี้ไม่เป็นเช่นนั่นแล้วสิ่งที่เคยหลงก็ไม่หลงสิ่งที่เคยรักเคยเจยดังก็ไม่เคยเจอดังทําให้มันเรียบเรียบไม่สะดุดแต่ก่อนหวันไหว พอเรามาเห็นมื่ปฏิบัติเป็นปัิจจตังมีสติเป็นปัจจตังนั่นก็ทําได้แป๊บเดียวเป็นเรื่องส่วนตัวเราหลงคนเดียวโลโกรธคนเดียวโลววทุกคนเดียวเราจะไม่ยอมเสียบเปรียบความหลงความทุกข์ความโกรธ มั่นใจเรามีสติมีธรรมเราจึงพ้นจากทุกข์ท่องปลงรด้เราปฏิบัติตามธรรมเราจึงพ้นจากทุกข์ท่องปลวกได้เวลามันหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงมันเป็นธรรมปฏิบัติตามความไม่หลงปฏิบัติตามความไม่ทุกข์ปฏิบัติตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันจะให้เป็นอะไรไม่เป็นไปกลับมาน นี่เรียกว่าปฏิบัติตามธรรมเราปฏิบัติเอาโพระธรรมเท่านี้เพียงพอชีวิตเรามันก็มีเรื่องเท่านี้ทั้งหมดของชีวิตของคนของมนุษย์เดี๋วก่อนมันก็ชุวยกระจายเหมือนปูจะปูเศษกระด้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้จะปูเศษกระด้ง กะดุงมันไม่เป็นวงกลมมันแบนใช่แล้วมันสุดมันไม่วนจิตแต่ก่อนสิ่งที่หลงแล้วหลงอีกจิตที่เคยทุกข์แล้วทุกข์อีกจิตที่เคยโกรธแล้วโกรธอีกแบบ น, นี้มันไม่วนแบบนั้นมันสุดมันสุดไปไม่ได้แผ่นดินสุด สุดแค่นี้ความหลงสุดแค่ความหลงไม่ได้ตอบอีกเพราะวีความนู้เป็นวงเล็บตู้เสกตัวเป็นวงเล็บไม่ใช่เป็ น, เ, ปนเหตุเป็นปัจจัยมาจากอย่างอื่น <c oughs> <c oughs> เหตุ<แ>หตนั่นก็เด่นแหละมันทำให้เราได้มีงานทำ มันหลงเราจะมีเหตุให้รู้ต่อประโยชน์ตัวตื่นรล่นมีความรู้มันใช่ได้มีอะไรก็มีไปเถอะโอ้มีความรู้สึกตัวเป็นคู่ชีวิตมีความรู้สึกตัวชีวิตจะเป็นชีวิตที่ไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บกา ร, กา ร, การตาย ต่าดติให้มีสติก็เรียกว่ากเกลียเก็บตายเป็นภพเป็นชาติ เ, าตเกิดดับเกิดดับบัดนี้ไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับมีแต่ภาวะที่เห็นตามธรรมชาติตามความเป็นจริงนี่คือชีวิตของเรามันประเสริฐขนาดนี้โดยอาศัยพระธรรมคําสอนมาปฏิบัติ พระธรรมคือมันมีอยู่แต่ไม่มีผู้ปฏิบัติตามธรรมใคจะรู้เคาจะไม่รู้ก็มีอยู่เชนนั้นพระธรรมนี่ไม่มีใครปฏิบัติตามมันจึงไม่เข้าถึงพระธรรมตอนนี้เราเห็นว่าความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรม ความทุกข์ไม่เป็นธรรมคงไม่ทุกข์เป็นธรรมไม่อยู่อย่างนี้นาพออกรรมเลยเป็นเลยเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายไม่จนนี่คือข้อปฏิบัติ ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการแต่ก่อนนี้เรามีพรุ่งนี้เป็นเฉีนพรุ่งนี้เรามีเมื่อวานเป็นเฉีนเมื่อวานนับไม่ถ้วนเมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้นับไม่ถ้วนเสียเวลากับพรุ่งนี้เสียเวลากับเมื่อวานนี้ เดี๋ยวนี้เรามีปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้นี่ชีวิตมันสั้นๆนะแต่ก่อนนี้พรุ่งนี้มีความหมายทำให้เราสัมผัสในกิจวิญญาณกังวลเป็นทุกข์เป็นโทษเมื่อวานนี้ก็มาลงโทษเราวันนี้ก็มาลงโทษเรา ไม่แต่โลกก็กลัวสวรรค์ก็อยากได้นิพพานก็อยากได้ประพุทธระถังพระสงฆ์ก็อยากจะให้มีเป็นการอ้อนวอนเป็นการอ้อนวอนเป็นความหวังเป็นความคิดพึ่งพา อาศัยหวังพึ่งหวังพาอาศัยแับนี้ไม่เป็นเช่นนั้นนาลกุลกเห็นแล้วปิดได้แล้วปิดได้เด็ดขาดนาลกุกสวรรค์ก็มี ไม่หลงเหมือนกับว่าความชั่วไม่ทำความดีทำไปใจไม่ยึดนี่คือลุยสวรรค์ลุยนลุยนรกลุยสวรรค์ความชั่วไม่ทำความดีทำไปใจไม่ยึดเรียบเลยนะ ใจไม่ยึดคือไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปคิดอยากมาคิดกลัวไม่อยากได้มาคิดกลัวเหมือนเมื่อก่อนดูจักศาสนาคือตัวภาวะที่มันใช้ได้อย่างนี้ศาสนาคือชีวิตที่มีข อ, อบเขตที่มีระเบียบที่มีความชัดเจนแม่นยำ ผิดเป็นผิดผิดถูกเป็นถูกทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วมั่นใจละความชั่วได้ทำความดีได้ใจไม่ติดไม่ยึดไม่ได้กลัวไม่อยากได้ะละมันน้ก็มีอยู่ในชีวิตเราหนี่เราสุขเป็นยังไงเราทุกข์เป็นยังไงหลงในความสุขหลงในความทุกข์ บทนี้เราไม่หลงในความสุขไม่หลงในความทุกข์ความสุขความทุกข์แต่ก่อนเป็นคลื่นบดนี้ไม่เป็นคลื่นมีสติสติเหมือนเห้ น, นชุบอัพเคยพูดเหมือนรถที่มีชุบดีไม่ ไม่ไมีกระทบเท่าไหร่เหมือนรถหวางขัดวิ่งผ่านหลุมผ่านบ่อแต่ก่อนทา ง, งขึ้นเขางี้จะหลุมแต่รถไม่ดีก็หยอดหลุมถ้ารถมันดีมันไม่ต้องหยอดมันลื่นได้มันลื่นได้มันลืดด่ น, ลดไดล น, นได้ลื่นถนนได้ตัดตดตัดไปเลย ชีวิตของเราก็หวังกับมันลืดนได้ในโลกเด้โลกมันมีรสชาติแตช่ชีวิตจริงๆปฏิบัติธรรมทำไมรสชาติมันไม่มีมีค่าฉุกฉุๆทุกทมันมีค่าเป็นมิตรภาพราบเรียบทำให้มันเรียบไม่มีเชิงใจสะดุด ไม่มีสิ่งใดกินแน็งแข็งใจตัวเองไม่มีสิ่งใดอาไยอาวนเหมือนพระมาลัยไม่มีอะไรอาไยลุยสวรรค์ลุยนรกชีวิตควรจะเป็นอย่างนั้นนี่คือค่าชีวิตที่เราได้เกิดมามีทางเดียวคือปฏิบัติธรรมมีสติมันกุนลละความชั่วเพียงพอแล้ว มีสติมันก็ทําความดีเพียงพอแล้วมีสติจิตมันก็วดุดเพียงพอแล้วเรื่องทําบุญทําทานเรื่องอื่นให้คนอื่นสอนใช<ะ>่ไหมาจะสอนเรื่องนี้บอกดังนี้เพรามันด่วนบางทีก็มีคนให้ผู้เทศว่ารูปขี้เหละเพราะมาแต่กรรมรูปสวยรูปงามมาแต่กรรม คนมั่งคนมีก็มาแต่บนแต่กรรมคนยากคนจนมาแต่บนแต่กรรมต้องมุดท่องแม่ไปแค่กรรมมันไม่ได้ไม่ได้ออกจิจแน่นมาเป็นเกณฑ์เรามีสตินี่แหละทำความดีแล้วมีสติกบกว่ละความชั่วแล้วมีสติกิดมันกวบาิสุดแล้ว ทำความดีก็เป็นศีลแล้วระวังสําปลอมกายวาจาให้เรียบร้อยเร <c oughs> ววาข่มชั่วทําความดีเป็นศีลเป็นสมาธิแล้วใจไม่ยึดก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วไม่ต้องเรียกว่าศีลสมาธิปัญญา เรียกว่าปฏิบัติธรรมไปเลยทำได้แล้วละได้แล้วเห็นแล้วทาได้แล้วเหมือนพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเราจังมาเป็นดังกล้องในหัวใจเราอยู่เรามีความรู้ตามเราเห็นความรู้ตามความเป็นจริง ทุกเราลูดแล้วเราละได้แล้วเหตุให้เกิดทุกเราทําได้แล้วเราแจ้งเหตุให้เกิดทุกได้แล้วมีรูดเราทําให้แจ้งแล้วมักเราทำไม่เจริญมากแล้วมีความลู มีความเห็นไม่ได้ไม่ได้ทิ้งทุกข์ที่ได้หลุดที่นั่นเหตุให้เกิดทุกข์ที่ใดเรียบราบไปที่นั่นไม่มืดไม่แจ้งแบกออกลมาได้ทาให้แจ้งแล้วเห็นแจ้งตามความเป็นจริงปฏิบัติปฏิบัติตามมากแล้วจานานแล้ว จำนานในความนานในควไม่หลงจำนานในความไม่ทุกข์จำนานในความไม่โกรธจำนาญในความไม่เป็นอะไรทั้งหมดหลุยได้ทั้งหมดเนี่ยคือชีวิตเราแบ่งปันกันไม่ได้ต้องทําำเองทำตัวเองสอนตนเอง ตั้มไสอนอย่างนี้มันไม่ทันสมงไยมันมีค่าสาหรับชีวิตชีวิตใช่ไม่ได้โปลเปยคุ้มลายคุ้มดีเช่ไม่ได้ชีวิตมันไม่มีคุ้มลายคุ้มดีมันมาตรฐานแล้วแม่นยำ แล้วก็จบได้ไม่ต้องทำถ้าไม่หลงตัานเลยว่าปฏิบัติธรรมแล้วถ้าไม่ทุกข์ตั้นเขาปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเขาเป็นโกรธตนหนักเขาปฏิบัติธรรมแล้วถ้ายังหลงอยู่เปลี่ยนหลงไปไม่หลงเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้หน้าดำขําเพียรไม่ได้ออกแรง การปฏิบัติธรรมนอนอยู่มันหลงเปลี่ยนไม่หลงนอนอยู่นั่นแหละนอนอยู่มันทุกข์เอานอนอยู่นั่นแหละเปลี่ยนเป็นความ่ทุกข์ไม่ออกแรงเลยทําความเห็นให้ถูกต้องนีกว่าสมมาทิฏฐินี่ว่าจเจริญแล้วม <c oughs> ักทําให้จเจริญแล้วมากแล้ว มีเท่าไหร่รู้เท่านั้นตามเท่ามาเท่าไหร่เปลี่ยนได้เท่านั้นเวลาเปลี่ยนทีหนึ่งมันก็สาดไปทีหนึ่งเหมือนหลวงปู่เทียนสอนว่าเราขุดน้ําบ่อไปเจอน้ําน้ําขุดเห็นเจอหน้าใหม่ๆยังขุดอยู่ แล้วก็ตักออกไปเรื่อยตั ก, ก, กออกเรื่อยตักน้ำคุนออกน้ำน้ำใสไหลออกมาเรื่อยตักเอกตักเอก<ๆ>การเห็นทีหนึ่งมันเหมือนกับตักออกเปลี่ยนหลงไม่หลงทีหนึ่งตักออกเปลี่ยนทุกข์ไปทุกข์ทีหนึ่งเป็นการตักออกต่อไปตั ก, กว่าบ้างน้ำก็ใสใช่ได้ เห็นหลงที่ใดก็ใช่ไม่ได้ก็ไม่หลงมันใช่ได้ถ้าจะเป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากเตือนทุกเป็นเนทุกไม่ใช่เรื่องยากไม่เหมือนกับการตักนะ้ำทำความเห็นได้ถูกต้องดำรีออกจากมัน มันกเป็นสิ่งที่ชอบไปทั้งหมดความเห็นชอบความดีชอบผู้ชอบการทํางานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาพเพลินชอบตั้งสติชอบตั้งสมาธิชอบไปหมดเลยเป็นอันเดียวคือปฏิบัติธรรมไม่ใช่แดอย่างทั้งหมดไม่ช่คณะเดียวเนี่ยเป็นเป็นทั้งหมดทั้งแปดอย่างเรียกว่าอริยมรร เป็นหนทางเป็นทางเห็นนี่เป็นทางนั้นหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเป็นทางไปอย่างนี้เอาว่าที่เห็นนี่ว่ามรรจริงที่มันเกิดขึ้นกับกากับใจเหล่านี้เราเห็นหมดนั่นแหละอยู่ในอริยมรรจไม่ต้องไปท่อง เราจึงมาเห็นของเก่งมาดูของเก่งกายก็มีจริงเป็นรูปทำชั่วได้ทำดีได้ใจก็มีจริงมารู้สึกอะไรได้ให้เคลื่อนไหวให้หยุดให้นิ่งให้ทำดีทำชั่วก็ได้เช่นกันสติเห็นเห็นไปเห็นมาเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนาม แต่ก่อสุกเป็นสุกทุกเป็นทุกแบบนี้เห็นรูปเห็นน้ำเห็นปีนาการธรรมชาติน้ำหนักน้อยลงถ้าเป็นสุขน้ำหนักร้อยเปอร์เซ็น์ถ้าเป็นทุกก็น้ำหนักร้อยเปอร์ถ้าเห็นมันสุกเห็นมันทุกเน่ยลดลงลดเหลือประมาณสีปอร์ซ เหมือนหับของหนักเป็นสุก เ, เป็นทุก เ, เหมือนกับหับของหนัก1้0ยกิโลเห็นมันสุกเห็นมันชุกเหมือนหับของหนักสี่สิบกิโลพิสูจน์ได้เบ า, วกวากว่าเก่าเห็นเห็ น, หนกบบเป็นเนี่ยลองดูซิดูดีๆตรงนี้ให้แยบผายสักหน่อย มันมีแน่นอนบุรุษผู้ปฏิบัติทำไปเนี่ยมันจะโชเราเห็นเจ้าก่อนอย่าเพิ่งด่วนไปเป็นอย่าเพิ่งด่วนรับดวนปฏิเสธนะปฏิบัติธรรมมันไม่ได้งมหามันโผู่ออกมามันมีอะไรมากชีวิตเราไม่ใช่ไม่เป็นเปรืเพ<ป>ืเ่อนอะไรมา นอนนื่งอะไรมามันจะโชว์ออกกามีพยาบาทเคยคิดเคียดแชดเชิงชังมันจะโชว์คิดแล้วคิดพอใจมันจะโชว์ออกมาความหลงมันจะโชว์ความสุขความทุกข์มันจะโชว์สติจะเป็นผู้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนาม อย่าว่าแต่อย่าหลงเข้าไปในความคิดมีอยู่แน่ น, นอนความคิดที่พื่ให้หลงอันหลงกายเป็นข้างเป็นข่าวที่เป็นรูปนี่หลงเป็นข้างเป็นข่าวมีเหตุมีไปใจมันจึงหลงมันจึงทุกเคลื่อนมันเก็บมันปวดอาจจะมีเวทนาแก่กล้าในรูปในกาย ไม่ใช่มันจะปวดมันเจ็บทุกเวลามันหิวมันจะมีโอกาสเป็นข้างเป็นข้าวมันรอดเป็นหนาวจะมีโอกาสเป็นข้างเป็นข้าวแต่ถ้าหลงทางความคิดนี่ไม่มีเวลาเลยเกิดขึ้นมาแบบสังขารส ม, มุอทยัย เป็นตัวสมมุทัยเป็นตัวสังขารที่เขามีงานทำอยู่แล้วเช่นขันห้าตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีหน้าที่ของเขาที่เขาจะแสดงให้เป็นเรื่องจริงจัง สังขารมันก็ปรุงวิสังขารคือลู้หนี่ยุดปรุงสัญญามันบันทึกไว้กเก็บกอะไรไว้ผิดผิ ด, ผดให้ข้อมูลในสัญญาผิดผิดเหมือนให้ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆ ให้โปรแกรมไม่ดีให้ผิดประเภทมันก็มีสัญญามันก็มีการบันทึกไว้วิญญาณมันก็เลยติดติดในเรื่องนั้นเป็นนิสัยเป็นวิญญาณวิญญาณธาตุธาตุแต่ก่อนบริสุทธิ์เลยเป็น อุปัฏายาูปเป็นรูปที่มีซ้อนขึ้นมาในรูปมหาพุทรลูปเป็นรูปซ้อนขึ้นมาตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมหาเป็นอุปัฏายาลูกถ้าให้มันยิ่งใหญ่ในเวทนาก็ใหญ่จนเป็นทุกข์เป็นโทษ ในสัญญาก็ใหญ่ใ้สังขารก็ใหญ่ในวิญญาณก็ใหญ่เป็นอุปทายลูกยึดมัน่นถือมัน่นเก็บเป็นเจ็บตายเป็นตายไปเลยได้ว่าเกิดดั บ, ดบเกิดดั บ, ดบเป็นพบเป็นชาติโอาปาติกะเกิดผุดขึ้นขยันเกิดขยันหลงขยันทุกข์ ก็มีโ น, นเนืองไปเลยเรามามีสติวันนี้เราไม่มีสติมาใสายรูปทานามทมให้เห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับรูปควานามมันมีหลายอยา่าง เวทนาก็เป็นอาการสัญญาก็เป็นอาการสังขารเป็นอาการวิญญาณเป็นอาการถ้าเห็นละเป็นอาการถ้าเป็นละเป็นกรรมเห็นเป็นอาการตัดกรรมนี่เป็นตัดใหญ่เลยหาตัดเลยเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากคนหลงตัดกรรม เห็นเหมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจ้าความโกรธตัดเวรตัดกรรมเห็นเหมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ตัดเวรตัดกรรมมีกรรมมีเวรมาเท่าไรตัดได้ตรงเนี้ห้นเวรพ้นภยัยนี่ว่าสิ้นกรรมที่เป็นกรรมอกุศล เป็นกุศลเกิดแทนในความอิจฉาพยาบาทเกินเป็นความเมตตากุณาเกิดขึ้นมาอยากจะยกปือไหว้ขอโทษขออาภายัยรู้จักตอบบุญแทนคุณผู้มีพระคุณคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงคุณครูบาอาจารย์เมื่อคิ ด, คดเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็มันก็ทำชั่วไม่ได้ คิดถีงคนพ่อคนแม่เราทําชั่วไม่ได้เด็ดขาดสงสารแม่สงสารพอ่อพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาไม่ให้เราเป็นทุกข์ไม่อยากให้เราเป็นทุกข์ไม่อยากให้เราเป็นคนชั่วเราจึงเป็นคนชั่วไม่ได้ไม่ใช่คิดอะไรเอาอ่อนลักลูกลักเมียก็เป็นคนชั่วไม่ได้ลักเพื่อนลักมิตรเป็นคนชั่วไม่ได้ ลักสินลักทเป็นคนชั่วไปได้ผิดสินผิดธรรมไ่ได้มันเป็นความมันเรียกว่าเป็นเกิดพรหมจรรย์ชีวิตพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบรูบรณ์้นเชิงมันจึงพ้นกรรมตอบบุญแทนคุณอยากจะบอกพ่อแม่ว่าลูกของแพร่คนนี้ ลูกของพ่อคนนี้ไม่เสียค่าน้มนมไม่ทำชั่วเด็ดขาดไม่คิดชั่วไม่เป็นทุกข์ทำไม่ได้คงคืนไม่ได้ต้องสอนพ่อแม่รปทานไหนไม่ได้ไปคนเดียวมีทำเป็นคู่ชีวิตมีสติเหมือนพ่อเหมือนแม่ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปพ้นภาวะเก่าเป็นส่ภาวะใหม่เรียกว่าวิปัชนาวิปัชนาพ้นภาวะเดิมๆแต่ก่อนเราไม่รู้นะวันที่เความโกรธความทุกข์ไปอวดพ่อโอแม่โอ้ยเจ็บใจเสียใจอยากเอามือลูบแล้วอก เวลาใดที่เราทำกับพ่อกับแม่ไม่ดีมีบ้างไม่รู้แต่ก่อนไม่รู้จริงจริจแสดงให้พ่อแม่เห็นอยากจะเดินจะกลมให้พ่อแม่ดูอยากจะนั่งสร้างจังหวะให้พ่อให้แม่ดูแต่พ่อแม่ไม่มีแล้วตายไปหมดแล้วแ้ามีใคร ถ้ามีพ่อมีแม่ยังอยู่โราสำเต็มที่ขีหน้า อ, อกของตัวเองนี่ลูกสาวของพ่อของแม่นี่ลูกชายของพ่อของแม่ไม่เสียค่าดำมมพูดให้แม่ฟังสักคำก็ดีแล้วถ้ายังมีพ่อแม่อยู่หรือมีพัญยาสามีตกหน้าอกใส่กันเลยตกหน้าอกใส่กันเลยถ้าเห็น กนดึงเศ้าส่ อ, สองมงองงนี่ฉันเป็นเมียของพ่อไปทุกข์ร้อนลอยมีปัญหาอะไรบอกช่วยจนสุดชีวิตนี่ฉันเป็นสามีของมามีอะไรบอกสิจะช่วยสุดชีวิตปัญหาเรื่องไหนบอกกันมันก็มีงานหลงกรรันเลืมช่วยกัน เวลาได้โกรธหซ้ำให้กันโกรธขึ้นมาโกรธตอบคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งก็โกรธต่อเป็นโง่คนที่โกรธทีหลังโง่กว่าคนที่โกรธก่อนสองเท่าถ้าเรามีธรรมะแบบนี้มันจะช่วยกันตรงนี้นะเห็นใจ เห็นคนโกรธไม่ใช่เขาโกรธเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาโกรธคือความหลงเห็นผิดความหลงความเห็นผิดแก้ได้แก้ได้หาวิธีแก้ให้ได้อย่าปล่อยกันทิ้งเราอย่าปล่อยตัวเองทิ้งไปทุกข์อยู่ในความคิดแบกมันอกป้า มันไม่มือดอยู่จากนั้นชีวิตเราไปหลงอยู่ในความคิดแบกมันหลงมาให้ความคิดเป็นทุกข์ไม่ใช่เลยแบกออกมาถต่แบกไม่เป็นก็ยกมือช่างว่าตบเข่าตัวเองอ๋อใช่หลังแหลกนอนอยู่ก็ทำได้นั่งอยู่ก็ทำได้ยืนอยู่ก็ทำได้ตงกันข้ามถ้าเราไม่หัดมันก็ไม่เปลี่ยนนะต้องหัด จริงเหล่านี้จึงมีกรรมฐานเกิดขึ้นมาในวันเพ็ญเดือนหกพระศิรัตถานั่งคู่แขนเข้ารู้สึกตัวเหยียขนออกรู้สึกตัวมันคิดไปถึงพีมพาราหุนขับมาตัวอยู่นี้มันคิดถึงทรพย์สินสะดึงขาดตบมามันคิดถึงประชาชนดูกลับมา บางทีจะมือตกมันคิดถึงเสาสนมกำนันในกับมันคิดกลัวตายกับมาเปรียบเทียบอะไรต่งางๆเหตุผลเยอะแยะไม่เอาเหตุและผลมาเป็นเครื่องต่อรองกับเพียงใดเอาการกระทานี่คือความรู้รู้สิ่งตัวคิดไปกับคามรูจจ้สิงตัวช่วยได้อย่าเอาความคิ ด, คดแค่ความคิ ด, คด หาคำตอบจากความคิดเออคำตอบจากความคิดไม่จริงมันหลงไปรู้นี่ยไม่ได้ตอบมันเลยความลงเอาความรู้สึกตัวมันทุกไปรู้สึกตัวมันโกรธไปรู้สึกตัวเอาตัวนี้เป็นตัวตอบมอ้ไยเป็นดีมะอะไรเป็นรู้ทั้งหมดเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปห้าม ต้องทําเองอย่าโกรธถนะอย่าโกรธถนะไมห้ามอย่างห้ า, มมาไม่โกรธไม่ได้ถ้าไม่โกรธเหมือนหมาคำว่าเราขนาดนี้ไม่ได้อยอมชวนทางอื่นไปก่อนอาวิธีทางอื่นไปก่อนชวนโน่นชวนนี่ไปโอ้เขาเขาหลงด้วยเขาจึงพูดจางนั้นเนา เขาว่ากัเราโอคนที่ว่าเขาหลงเพราะว่าเราเป็นหมาเขาหลงเขาเห็นคนแท้ๆเป็นหมามันหลงแล้วคนเห็นคนเป็นหมาแล้วก็ไม่มีหางไม่มีสี่ขาจะได้ว่าคนหลงคนที่พูดอย่างนั้นเขาหลงคมหลงฝาให้เขาพูดถ้าเราไปเชื่อไปเอาความหลงของคนมาเป็นเรื่องทําให้เราโกรธเป็นถูกเราก็ ไม่ใช่นะเขาหลงเขาจึงพูดอย่างนั้นถ้าเขาไม่หลงเขาไม่พูดคนหลงนี่เป็นคนที่น่าอภัยคนที่มีความหลงเป็นคนที่น่าให้อภัยคนที่ไม่มีความรู้เป็นคนที่น่าให้อภัยเขาแล้วเขารู้เขาไม่ทําย่างนี้สงสารเขาเหตุที่ทําให้เขาเป็นน่ะมันเป็นหวามชั่วที่มันเกิดกับกุศลทางเขาไม่ได้ศึกษาโบกกันอย่างนี้เขาเห็น เราไม่เคยหัดเป็นไปเลยนะแต่บ้านก็สอนได้ทุกชีวิตนี่เสียดายเสียดายเสียดายความหลงของคนให้เป็นหลงให้เป็นหลงเสียดายคนที่มีคนามทุกข์ให้ทุกข์เป็นทุกข์เสียดายคนที่มีความโกรธให้โกรธเป็นโกรธน่าจะเปลี่ยนนะ เปลี่ยนหลงเป็นมันรู้จึกตัวเนี่ยมันไม่ยากเลยส่วนตัวส่วนตัวไม่ได้เขาใครใบช่วยเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกนึ่เป็นส่วนตัวจริงๆจิทธิ๊งร้อยเปอร์เชีวิตส่วนตัวเ่านี่นะไม่ใช่ไปขออนุญาตใครเรามีสิทธิใช่สิทธิของเรา ให้มันชอบทำความโกรธเป็นชอบทำชีวิตเราความไม่โกรธเป็นความชอบทำให้เห็นอย่างนี้ราาเรียกว่าอเรียมรรคเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทําถูกไปเลยเป็นลุงอรุนเห็นอย่างนี้เป็นลุงอรุนเหมือนเฉ๋งเงินเฉ๋งทองขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกไม่นานถ้าจะ ดูไปค่อยๆตามไปแหวกไปแม้จะลิบหลีกก็แหวกไปก่อนเดี๋ยวก็จะสว่างขึ้นมาต้องแจ้งขึ้นมานี่คือปฏิบัติธรรมถ้ามีความหลงนั่นแหละงานมีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจที่ไม่ใช่สติขอให้เวลานี้ให้เป็นสติเป็นเจ้าของกายใจไปซะก่อนเรียกว่าเข้าคอด เข้าดิทีสวันเจวันหัดลองดูจะมีนิสัยเล็กๆน้อยๆแล้ววันหนึ่งเราจะจับมาใช้ได้กาจนดอกหญ้าแชมผมก็ยังดีถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยได้ทำก็มืดแปดด้านอย่างวันหนึ่งไปดูหลวงพ่อจ่อยป่วยที่โรงพยาบาลห้องไอซียู นอนอยู่เนี่ยวานอยู่อึดนอนพอเราไปพูดอ๋อหลวงพ่อเคยเป็นนักลุกมาแล้วเคยลุกกบะชิงเหล่านี้มาแล้วอย่าบวนบ่อยมีสติเห็นมันเ้อะหลวงพ่อดเด้อะพอหลวงพ่อพูดก็นิ่งเด็กก็นอนอยู่ <laughs> พอไปพูดคนนิ่งยกกูไว้เนี่ยเป็นกระแสะงั้นอย่คนหนึ่งลองลองอยู่เอากูไปทรงสูเอากูมาข่าทำไมกูไม่ลูกปีเมียกูไม่ได้ทำชั่วอะไรกูปฏิบัติธรรมไม่ผิดศีลผิดธรรมอะไร นอนอยู่บนเตียงเตือนตาอยู่หลงหลงพ่อไปบอโ อ, อตู้โอตู้โอตู้รู้จัก อ, อัตมาวอเตือนตาเออรู้จักอัญญาเขียนตอนเนี้ยบังเลยเขาเรียกอัญานะเออไอ้แจกหลว ง, งพ่อหลวงปู่ตู้เคยปฏิบัติธรรมวออัญาตอเนี้ยสอนอ่ะเฮ็ดยังไง อันยาก็สอนเอามือเพิกมือรู้อยู่เอามือมาวางไว้ท้องดูสิเพิกมือดูสิรู้สึกไอมรู้นะพอเพเหมือก็หยุดลองรู้อยู่นี่นะพอตู้นะเ พ, กสสพิกมือใช่ริกเหมือขัวอยู่นี่รู้อยู่นี่นะเออรู้ไปเรื่เวลานี้พอตู้ไม่ได้ไม่มีใครมาฆ่าพอตู้พอตู้ไม่สบายพอตู้เป็น เป็นอะไะปัจจบัะก็เรียกว่าฮะอาตัดอาตัดนะมันไม่ใช่ใช้เดือนนะลูกหมกักลูกหมกักออตู้เป็นลูกหมกักหมอมารักษาเดียวก็าหายเพื่อตู้นี่ลูกสาวเย็น อ, อยู่นี่ เดี๋ยวก็หายคอตู้มารักษาตัวหมอมารักษาอีกสักสองวันสวันก็ได้กลับบ้านไม่ไม่ได้มีใครมาค่าเอเนี่ยไม่ได่าไม่ว่าอะไรกันนั่งงอนนิ่งหลับไปเลยสบายเลยไม่กี่วันก็ออกแกลงไยบานเ้าไม่เคยฝึกมืดแปดด่างแนะนำก็ไม่ได้บอกให้มีสติก็ไม่รู้สติเลย ปติเกาให้ฟ <Yeah. S 1> ังก็ฟอุทังสรนังคัจามิธรรมังสรนังคัจามิสังขังสรนังคัจามิเจ้าเจ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะข้าพระเจ้าจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ธรรมังสรนังคัจามิข้าพระเจ้าถือพระธรรมเป็นสรณะข้าพระเจ้าจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ว่าใส่หูก็ไม่รู้เรื่องเลยบางคนไม่เคยฝึกหัดแต่บางคนพอสวดพุดทธังสระนังคจชามีบางคนก็ร่วมมือก็หลอยกมือขึ้นมาก็แบอเคยฝึกมีกระแสะเป็ น, นมิตมิตรนี้เรามหัดเท่าโคตรัตตอนอย่างนี้ต้องไม่เลือมแน่นอนเวลามันหลงเวลามันคิดอย่าเข้าไปอยู่ในความคิ ด, คดแวกออกมามีสติ หลวงพ่อเถียงแสดนี่เวลาใดห ล, ลงในความพิดหลงแหวกออกมาใช่ได้ใช่ได้เห็วลาไดมันทุกข์ออกมาดูมันก็ใช่ได้เลยทีเดียวคนละเรื่องกับเราเห็นนี่วอุอ้ยยอดเยี่ยมจริงๆนะสติมันจะเป็นดวงตาหน้าโลกผู้มีสติเป็นหน้าโลกเหมือนพระชีนะอยจบผู้มีสติเป็นวินัย คือพลังั้นหนาะไม่ใช่เล็กน้อยนะสติเนี่ยเป็นฌานอันสูงสุ ด, สสดเห็นโหลอสุขหรือทุกข์เสียด้ยมีสติแล้วแล้วอยู่พระพุทธเจ้านิพพานตรงนี้ป ร, รินิพพานที่นี่เหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายที่นี่เราจึงหัดเอาไว้ได้ยินบ่กับพระพ่องกัน